นวลละมุนของพระจันทร์คืนวันเพ็ญสาดสองลงมาต้องบ้านสามกระไดที่ตั้งตรงหยานอยู่ริมคลองบางแวกทาให้เห็นผู้คนในบ้านซึ่งนั่งล้อมวงคุยกันอยู่กลางชานเรือนหลวงธารากับคุณหญิงห่วงนั่งอยู่บนเสื่อแวดล้อมด้วยลูกหลานพวกข้าทาสบริวาร น, นั่งบนพื้นร่วมฟังอยู่ห่างๆคุณสายใจนั่งสงบสงเเห่ง หน้าตาเศร้าหมองด้วยไม่สมหวังในชีวิตคุณเจริญเล่าเรื่องชีวิตที่บ้านนอกสิคะสายแก้วอยากฟังลูกสาวคนโตของคุณสายจิตเอ่ยขึ้นหล่อนมีน้องสาวร่วมท้องอีกสี่คนคือสายทานสายทองสายทิพและสายสวาสดสายทองกับสายทิพก็อยากฟังค่ะ สาวคู่แฟดวัยสิามเอ่ยขึ้นพร้อมกันคุณหญิงห่วงจึงเปรยขึ้นว่าแม่สายทองกับแม่สายทิพย์เนี่ยไถ้าวาดจะเหมือนกันเฉพาะหน้าตาเท่านั้นหรอกนะแต่ความคิดความอ่านยังเหมือนกันอีกด้วยนั่นสิครับคุณยายขนาดพูดก็ยังเหมือนกันทุกคํำราวกับว่านัดแนะกันมาก่อนช่าง น, น่าอัศจรรย์อะไรเช่นนี้คุณประพจน์ล้อเลียน คู่แฝดจึงพากันค้อนประหลับประเลือกใส่เขาแน่ค้อนก็ยังทำได้พร้อมกันลูกชายคุณสายใจยัว่วอีกไม่เอาน่าพ่อประพน์อย่าไปยั่วน้องประเดี๋ยวก็ได้วงแตกอีกรอกคุณหญิงห่วงปรามด้วยรู้ริษหลานยายว่าทั้งชายและหญิงไม่มีใครยอมใครคุณสายแก้วจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรดีครับหนุ่มเจริญเอ่ยขึ้น เพื่อประนีประนอมความขัดแย้งที่กำลังก่อตัวขึ้นเล่าเรื่องทำนาก็ได้ค่ะสายแก้วอยากรู้ว่าเขาทำนากันอย่างไรสายทานอยากฟังเรื่องลอยกระทงค่ะสาวอายุ14สเสนอบ้างคุณสายสวัสด์แล้วครับคนมีศักดิ์เป็นพี่ถามน้องสาวคนเล็กที่นั่งชิดทางเบื้องขวาของผู้เป็นยายเบื้องซ้ายคือคุณประพน์ ในบรรดาหลานสาวคุณสายสวัสด์เป็นคนโปรดของคุณยายส่วนหลานชายต้องคุณประพน์ปู่ว่าพอดเจริญเล่าไปเลยดีกว่าึืนไปฟังคนโน้นทีคนนี้ทีรับรองรุ่ง้างก็ยังไม่ได้เล่าหลวงทาราขัดขึ้นยิ่งด้วยค่ะคุณจเจริญเล่าไปเลยสิคะประเดี๋ยวสายสวัสด์เกิดง่วงนอน เลยอดฟังกันพอดีคนอายุน้อยที่สุดเห็นชอบด้วยถ้าเช่นนั้นผมจะเล่าเรื่องการทำนานะครับผมเคยช่วยยายเอ้ยคุณยายทำนามาตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นคุณจเจริญอายุเท่าไหร่คะนางสาวสายทองถามคู่แฝดที่อายุอ่อนกว่าพี่สาว20สนาทีกำลังจะถามเช่นเดียวกันทว่ายั้งปากไว้ทัน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 ช่วยยายบ้างตามประษาเด็กพอโตขึ้นก็ช่วยได้มากขึ้นกระทั่งทำเป็นหมดทุกอย่างนี่เพราะคุณพ่อเธออุตริไปแต่งงานกับลูกชาวนา น, นสิลูกเต้าถึงต้องมาลำบากคุณหญิงห่วงอดค่อนแคะไม่ได้เมื่อนึกถึงความหลังหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บแผบลบตรงหัวใจนึกโกรธผู้เป็นย่าที่มาดูถูกยายสุดที่รักของเขา ใจหนึ่งอยากโต้ตอบหากอีกใจคิดว่าถ้าคุณหญิงไม่เมตตาเขาก็จะอยู่ที่นี่ไม่ได้จึงสู้ระงับความโกรธนั้นไว้พูดด้วยเสียงปกติว่าแต่ที่พวกเรามีข้าวกินกันอย่างอิ่มหนำอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะชาวนานะครับคุณยา่าผมภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลูกเป็นหลานชาวนาผู้ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติพวกเรา ทนยอมลำบากเอาหลังสู้ฟ้าเอนหน้าสู้ดินเพื่อปากท้องของเพื่อนร่วมชาติแม้ผลตอบแทนจะไม่คุ้มกับค่าเหนื่อยแต่พวกเราก็พอใจที่ได้อยู่กับธรรมชาติมีความสุขสงบไปตามประสาถูกของพ่อเจริญเขานะคนหญิงอย่าเอาอาดีตมาเป็นอารมณ์นักเลยล้านเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยหรอก หลวงธาราปรามภัญญาจริงคะ่ะคุณพ่อดีฉันว่าคุณแม่ทําไม่ถูกที่พูดอย่างนี้กับพ่อเจริญเพราะไหนๆเรื่องมันก็ผ่านพ้นกลายเป็นอดีตไปแล้วคุณสายใจพูดอย่างรู้สึกสงสารหลานชายประพจน์ก็ไม่เข้าข้างคุณยายนะครับคุณยายคงทราบดีว่าคนยุติธรรมอย่างผมย่อมไม่เข้าข้างคนผิด คุณประพ์เห็นพ้องกับมารดาคุณหญิงห่วงเกรงว่าแม่หลานสาวทั้งห้าจะพากันซ้ำเติมอีกจึงพูดขึ้นว่าเอาละเอาล่ ะ, อ, ละอย่ายอมรับว่าตัวเองผิดต้องขอโทษพอ่อเจริญด้วยอย่าถือโทษโกรธอย่าเลยนะหนุ่มน้อยหายโกรธกลับนึกรักผู้ปัญญามากขึ้นด้วยว่าคุณหญิงมีอุปนิสัยเหมือนยายของเขาอยู่อย่างหนึ่งคือ ไม่ใช่คนเจ้าทิฐิคนเช่นนี้สมควรยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลผมไม่กล้าโกรธผู้มีพระคุณหรอกครับที่สำคัญกว่านั้นคือคุณย่าเป็นผู้บังเกิดกล้าวของคุณพ่อผมแล้วผมก็ต้องพึ่งใบบุญคุณยา่าถ้าผมโกรธก็เท่ากับผมอาตตันยูต่อบอุพการีคุณยายท่านสอนนักสอนหนาว่าเกิดเป็นคน ต้องรู้บุญคุณคนจจิงๆนะคุณหญิงผมบอกตามตรงว่าที่ผมรักคุณหญิงมาจนทุกวันนี้และไม่ยอมมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็เพราะคุณหญิงไม่ใช่คนเจา้าทิินี่แหละคุณหลวงวัยเก้าสิบกล่าวชมพัญญาอย่างจริงใจครั้นฉุกคิดได้ว่าคำพูดนั้น ไปทำให้บุตรสาวสะเทือนใจจึงพูดต่ออีกว่าแต่ผู้ชายบางคนก็ไม่ไว้นะขนาดเมียดีพร้อมทุกอย่างก็ยังอดไม่ได้ที่จะประพฤตินอกใจคุณตาขาคุณยายขาสายทานอยากฟังเรื่องการทำนามากกว่าที่จะฟังคนสูงอายุมานั่งเกี่ยวกันค่ะสาวอายุ14ขัดขึ้นหล่อนเลี่ยงไปใช้คำว่า คนสูงอายุแทนคนแก่นั่นสิท่านหนุ่มสาวนั่งเกี่ยวกันท่ามกลางแสงจันทร์ก็ยังดูเป็นเรื่องธรรมดานางสาวสายแก้วสนับสนุนโอ้ยนี่แม่สายจิตเขาอบรมลูกสาวยังไงกันปากขอถึงได้เราะร้ายอย่างนี้คุณหญิงห่วงยกมือท้าบ อ, อกแม่สายจิตเธอไม่ได้เลี้ยงลูกเองนะคะคุณแม่ พูดเราตังหากที่เป็นคนเลี้ยงจริงไม่จ้าแม่วาดคุณใสยใจหันไปขอความเห็นจากแม่วาดซึ่งนั่งห่างออกไปถ้าเช่นนั้นอีชั่นยอมรับผิดเพียงผู้เดียวก็ได้เช่นคุณเจริญเล่าเรื่องทำนาต่อถึอเจ้าคะ่ะแม่วาดเองก็อยากฟังแม้จะเกิดเป็นลูกชาวนาหากก็ถูกบิดายกให้คุณหลวงตั้งแต่เด็กๆจึงไม่รู้ว่าเขาทานากันอย่างไร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 ชีวิตตองปรากทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นด้วยคะสายสวรรยัสดไม่เข้าใจค่ะคุณตาสาวน้อยถามขึ้นเพราะมันเป็นธรรมชาติของชีวิตนสิหลานชีวิตตองพึงหมายความว่าเมื่อเราเกิดมาเราต้องพึ่งพ่อแม่ไปจนถึงอายุยี่สิบปีบริบูรณ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 เหมือนกับลิงได้แก้วหรือเปล่าครับคุณตาคุณประพน์เป็นคนถามก็ททำนองนั้นแหละคนประเภทนีเขาเรียกว่าเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นดอกบัวเป็นกงจักสายแก้วเคยได้ยินแต่เห็นกงจักเป็นดอกบัวค่ะคุณตาก็เหมือนกันอีกนั่นแหละคืออย่างนี้ตาจะอธิบายให้ฟัง คนที่จะมองเห็นความชั่วเป็นความชั่วเห็นความดีเป็นความดีนั้นจะต้องมีบา ร, รมีพอสมควรคนไรว้วาสนาบารมีจะเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีหลวงธาราอธิบายให้ลูกและหลานฟังพวกบ่าวไพร่ก็พลอยได้ฟังด้วย แล้วชีวิตต้องเพียรเป็นอย่างไรคะคุณสายทิพย์ถามคือช่วงอายุส1อถึงสต้องสร้างฐานะให้ได้อายุสี่สบห้าปีต้องมีบ้านให้ลูกหลานอยู่ใช้ความเพียรสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นกันสารจะได้เป็นที่พึ่งของลูกหลานต่อไปเพราะอายุ 6 1อ็ดถึงเจ็ดสิบห้าชีวิตต้องพักแล้วเพราะสังขารร่วงโรยแก่เท่าทำงานไม่ไหวแล้วเป็นช่วงชีวิตที่ต้องพักผรหลังจากทำงานมาเต็มที่แล้วพออายุเจ็ดสิบหกขึ้นไปชีวิตต้องพากคือต้องพลัดพลากจากลูกหลานผัวเมียก็ต้องพลัดปลากจากกันไป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 คุณแม่ขอร้องให้เลิกไม่ใช่เพราะท่านยากจนอะไรนะครับผมได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่าคุณยายรวยที่สุดในตำบลบางม่วงงูมีเงินทองฝังดินไว้เป็นไหๆผมเป็นคนเอาไปฝังกับมือเองผมมารินนี่ท่านก็ให้เงินมาตั้งแปดสิบช่างสายสะพายหนัก8บาทอีกหนึ่งเส้นที่ผมฝากคุณย่าไว้นั่นแหละครับหนุ่มเจริญสาธยายอย่างน้อยคุณหญิงห่วงคงจะสบายใจขึ้นว่า ลูกชายได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีสแสดงว่าคุณยายของพ่อเจริญเป็นคนขยันและก็คงจะตระหนี่ด้วยเพราะถ้าฟุ่มเฟื่อยคงไม่มีเงินทองมากมายอย่างนี้เรียกว่าขี้เหนียวเลยล่ะครับคุณย่าขี้เหนียวที่สุดในตำบลแต่ก็ชอบทําบุญนะครับถ้าเป็นเรื่องทําบุญเท่าไรเท่ากันทีกับตัวเองกลับกระเบียดกระเสียนยิ่งกับผม ก่าจะขอได้แต่ละสะตางค์ต้องอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกเส้นนักเรียนผมทาไม่ใสจนขาดหาที่ปะไม่ได้ท่านก็จะไม่ซื้อให้ใหม่หนุ่มน้อยเผลอนินทาคนที่ตัวเองรักที่สุดในโลกแหม่ย่าอยากเห็นคุณยายพ่อเจริญจริงๆอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้คุณหญิงห่วงถามอย่างสนใจ8ปบห้ย่างแปหแล้วครับ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 สั่งข้าวทิ้งเพื่อปรับพื้นนาพอฝนลงก็เริ่มไถแปรและหวานกล้าพอต้นกล้าโตพอที่จะนำไปปลูกเขาก็จะไถคลาดพื้นนาอีกครั้งแล้วถอนต้นกล้าเอาจะแปลงเพาะกล้านำไปปลูกในพื้นนาที่ไถคลาดไว้แล้วการนำต้นกล้าไปปลูกเรียกว่าดำนาแล้วคุณเจริญดำนาเป็นหรือเปล่าคะคุณสายทิพย์ถาม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 ผมก็ปลูกไม่เป็นอีกคือพอปลูกเสร็จต้นกล้าก็ลอยขึ้นมาคุณยายต้องมาทำให้ดูโดยให้จับที่รากใช้นิ้วหัวแม่มือกดรากฝังลงไปในดินโคลนแล้วบีบดินเข้าหากันจนแน่นดำนาเสร็จก็รอให้ต้นกล้าโตถ้าน้ำพอเหมาะพอดีต้นกล้าก็โตเร็วกลายเป็นต้นข้าวดูเขียวเฉาอุ่มเต็มท้องนา ถ้าฝนแรงต้นข้าวก็จะดูเหลืองเหลืองบางทีก็ตายเป็นแปลงๆเลยบางครั้งกำลังตั้งท้องน้ำป่าไหลบ่ามาจากทางเหนือก็ท่วมจนต้นข้าวสำลักน้ำตายทิวท ช, ชาวนา น, น่าสงสารครับปีไหนฝนดีข้าวก็ดีปีไหนฝนแรงหรือฝนชุกเกินไปก็ได้รับความเสียหายไปตามๆกันพอถึงเดือน12อหรือเดือนอ้ายข้าวก็จะสุกงอมดูเหลืองอารามไปทั้งท้องทุ่ง ชาวน้าก็จะเริ่มลงมือเก็บเกี่ยวบางครั้งก็ขอแรงกันมาช่วยเกี่ยวเรียกว่าลงแขกเกี่ยวข้าวเสร็จน้ําก็จะแห้งพอดีเขาก็จะทําลานเก็บข้าวซึ่งมัดเป็นฟ่นฟนอนๆรอการนวดจากนั้นก็จะนําข้าวเปลือกที่ได้ไปเก็บในยุ่งช้างที่บ้านโดยใช้เกวียนบรรทุกไปช่วงที่ข้าวยังอยู่ในลานก็จะมีพิธีทาบนลานรับขัญข้าวในนา เพลงรับขัญข้าวในนาผมจำได้แม่นยำคุณยายสอนผมร้องตั้งแต่ 6-7 เจขวบถ้าใครอยากฟังผมก็จะร้องอยากฟังค่ะห้าสาวพูดขึ้นพร้อมกันคุณประพ์อยากฟังหรือเปล่าครับเขาถามลูกชายคุณสายใจคุณประพ์พยักหน้าแทนคำตอบข้างอีชั้นก็อยากฟังเจ้ขขาค่ะพวกสาวๆาวก็พากันสะกิดอีชั้นให้ออกเสียงด้วย แม่วาดพูดขึ้นพวกสาวๆพากันอายม้วนไปตำตามกันคุณเจริญจึงขออนุญาตหลวงทาราและคุณหญิงห่วงและเริ่มร้องเพลงรับขันเข้าในนาซึ่งมีเนื้อความดังนี้วันศุกร์แม่มุกกับแม่มันทำขนมทอดมันสองอันใส่กระเช้าหยิบผ้าขาวพาดหัวคานตลนตะลานคว้าคานขึ้นบ่าน่ารักเอวกลึง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 เหลือนกเหลือหนูเหลือปูเหลือปลาตกรูระแหงแอบแฝงคันนานาใกล้นาเคียงหลีกเลี่ยงกันมามาเถิดแม่มาแม่โพสีแม่โพศพแม่นกดาราเชิญข้าวยุ้งข้าวปลาสวัสดีมีชัยเสียงปรบมือดังขึ้นเมื่อหนุ่มน้อยร้องจบพวกสาวๆทั้งบ่าวทั้งนายพากันร้องเป็นเสียงเดียวกัน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 เหลืองเล็กเหลืองใหญ่ต่อไส้หางมา้าคืออะไรคะนั่นเป็นชื่อพันข้าวครับตั้งแต่เหลืองเล็กเหลืองใหญ่ถึงข้าวนางตะครองเป็นชื่อพันข้าวนอกจากนี้ยังมีชนิดอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ในเพลงอีกเช่นข้าวขาวตายแห้งข้าวเจ๊กเชยข้าวขาวนางมนชนิดหลังนี้อร่อยมากครับเม็ดขาวใสเวลาหุง จะเกาะกันแน่นคล้ายข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมอีกด้วยคุณยายชอบรับทานข้าวชนิดนี้ถ้าเช่นนั้นเวลาพ่อพองลงมาเยี่ยมพ่อเจริญให้เขาามาฝากหยาบ้างนะอยากหลองรับทานบ้างได้ครับผมจะมีหนังสือไปบอกคุณพ่อให้เอามาซักสองถังอย่ามากขนาดนั้นเลยสักครึ่งถังก็พอเห็นว่าการเดินทางลําบากนักไม่ใช่หรือ คุณหญิงพูดอย่างเกรงใจไม่เป็นไรครับผมจะไปรอรับคุณพ่อที่ท่าเตียนเราไปด้วยกันนะครับคุณประพ์ตกลงผมจะไปช่วยหิวสายแก้วก็จะพาน้องๆไปช่วยด้วยค่ะสาววัยสิขันอาสาอย่าเลยจะ่ะน้ำหน่ายอย่างพวกหลอนหรือจะทำอะไรเป็นแต่ละคนดูท่าเย็ยบขี้ไก่ไม่ฟอทั้งนั้นคุณประพ์ว่าพวกสาวสาว อะไรมาว่าเขาปากเสียคุณสายแก้วเถียงแทนน้องๆสี่สาวหันมาทำตาเขียวใส่หนุ่มผู้พี่พวกหลอนนั่นแหละปากเสียเมื่อกี้ยังถูกคุณยายว่าอยู่แมบๆจริงไ้ยคุณเจริญคุณยายบอกว่าไม่พวกนี้ปากขอเระร้ายใช่ไหมคุณเจริญเกิดความรู้สึกกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหากเข้าข้างคุณประพ์ก็จะต้องเป็นศัตรูกับห้าสาวและหากอยู่ฝ่ายห้าสาว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 ก็ผมเล่าให้ฟังดูง่ายๆนี่ครับแต่พอทำจริงๆมันยากทุกขั้นตอนเลยครับกว่าจะได้เป็นข้าวสุกให้เรารับประทานมันต้องผ่านขั้นตอนหลายชั้นที่เล่าไปนั้นยังเป็นข้าวเปลืกอยู่เลยนี่ครับแล้วผมก็เล่าย่อๆเท่านั้นฟังเรื่องลอยกระทงดีกว่าตกลงค่ะสาวน้อยยอมตามแต่โดยดีเดี๋ยวก่อนโปว่า เราพักสักสิบนาทีก็เติมพลังแล้วค่อยว่ากันไหมไม่วาดไปจัดหาของว่างมาเลี้ยงกันหน่อยปะไรหลวงธาราสั่งแม่บ้านเจ้าค่ะแม่วาดรับคำแล้วพูดกับพวกสาวใช้ว่าพวกหล่อนตามฉันมามาช่วยกันยกของว่างมาเลี้ยงคุณทานบรรดาสาวใช้ต่างลุกตามแม่วาดไป ไม่ละโอกาสที่จะส่งสายตาชม้อยชม้ามาทางคุณประพ์กับคุณเจริญแต่อ น, นิจจาพวกหล่อนไม่ได้รับการตอบสนองจากสองหนุ่ม